สัญญาีิละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมานุปัสสนาโพชฌงค์บับ พ, พะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างไรเล่าภิกษุในพระศาสนานี้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 หรือเมื่อปัสจัธิสัมพุทธชงไม่มีอยู่นภายในจินจตย่อมรู้ชัดว่าปัสจัติสัมพุทธชงไม่มีอยู่นภายในจิตของเราอันหนึง่งปัสจัธิสัมพุทธชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปัสจัติสัมพุทธชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิสัมโพุทธชงมีอยู่นภายในจิต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 นิทุกนิทุกขสมุทยัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธค า, ามีปฏิปทา